จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเสริมคุณงามความดีเสริมความสุขความเจริญเสริมความน่ารักน่าชื่นชมยินดีเสริมความสวยงามให้แก่ชีวิตของท่านด้วยการบำเพ็ญคุณธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญทรงสอนให้เจริญอยู่สี่ประการด้วยกัน 1. คอความเมตตา 2. ความกรุณา 3. ความมุติตาและ 4. ความอเบคานี่คือคุณธรรมสประการที่จะปั้นชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีความสวยงามมีความดีงามเป็นที่ชื่นชม ยินดีกับผู้คนทั้งหลายชีวิตของเรานี้ทางพระพุทธศาสนาส่งสอนไว้ว่าไม่มีใครมาลึกิดชีวิตของเราได้ไม่มีใครสั่งให้เราไปนรกไปสวรรค์ได้มีเราผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้สั่งเป็นผู้ลึกิดชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรา ไปสวรรค์ไปนรกอะไรที่ทําให้เราเป็นคนดีหรือคนชั่วก็คือการกระทําของเรานี่เองการกระทําของเรานี่แหละจะทําทให้เราดีหรือให้เราชั่วไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงเรียงนามต่อให้ตั้งชื่อให้สวยงามให้ดีงามขนาดไหนก็ตามให้มีนามสกุลดีงามขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าการกระทำของเราไม่ดีมันก็จะไม่ดีอยู่อย่างนั้นแะคนเชื่อที่ดีนี้ไปติดคุกติดตารางกันมากมายไม่เชื่อไปลรงสํารวจคนที่อยู่ในคุกดูว่าชื่ออะไรก็จะมีชื่อในบุญบ้างชื่อในดีบ้างชื่อดีๆทั้งนั้นแต่ชื่อนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราดีหรือชั่วตัวที่จะทำให้เราดีหรือชั่ว อยู่ที่การกระทำของเราว่าจะดีหรือจะชั่วและการกระทำของเราก็ขึ้นอยู่กับความรู้ของเราว่าเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วหรือไม่ถ้าเราไม่รู้เราก็มักจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีพอเราทำไม่ดีแล้วผลไม่ดีก็ตามมา เช่นไปติดคุกติดตารางอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะทําผิดกฎหมายแต่ไม่รู้หรือรู้แล้วไม่เคารพกฎหมายรู้แต่ยังฝืนทําอยู่พอทําไปแล้วก็จะต้องไปรับผลของการกระทําแต่ถ้าเราไม่ได้ทําแล้วเราก็ไม่ต้องไปรับผลของการกระทําผลของการกระทําของเรานี้ก็มีทั้ง ปัจจุบันชาติและอนาคตชาติปัจจุบันชาติถ้าทำบาปก็ต้องไปติดคุกติดตารางตายไปแล้วยังต้องไปเกิดในอบายมีที่ไปอยู่สี่ที่ที่เรียกว่าเดลฉานเปรดอสุรกายและนรกนี่คือที่ไปของดวงวิญญาณที่หลังจากได้แยกทางกับ ร่างกายแล้วก็จะต้องไปรับผลของการกระทำบาปต่อไปส่วนผู้ที่ทำความดีเมื่อตายไปดวงวิญญาณก็จะไปรับผลของบุญของความดีที่ได้ทำไว้ก็จะได้ไปสู่สุขติเราคงได้ยินเสมอเวลาคนตายนี้เรามักจะพูดว่าขอให้ไปสู่สุขติ ขอให้คนพูดเป็นล้านเป็นแสนก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ที่การกระทําของผู้ที่ตายไปแล้วเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะส่งให้เขาไปสู่สุคติได้ถ้าเขาทําแต่บาปไม่ทําบุญต่อให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมาขอให้ไปสู่สุคติเขาก็ไปไม่ได้เพราะการ การบอกการพูดของผู้นี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะส่งให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติแต่อยู่ที่การทำความดีการไม่ทำบาปถึงจะไปสู่สุคติได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำความดีกันถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งสอนพวกเราเราก็จะถูกความหลง ความมืดบอดสัมสอนพวกเราให้ทำความชั่วให้ทำความไม่ดีกันเพราะใจของเรานี้มีความอยากมากและเวลาเราอยากได้อะไรเรามักจะหาวิธีง่ายวิธีรวดเร็วซึ่งมักจะเป็นวิธีทำบาปทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนมาคอยเตือนเรา ให้รู้ว่าการทำบาปนี้จะขาดทุนจะไม่คุ้มทุนสิ่งที่ได้มาจะไม่คุ้มค่ากับโทษที่เราจะต้องไปรับใช้เช่นเราอาจจะทำบาปแล้วเราก็ได้สิ่งที่เราอยากได้เช่นอยากจะได้ภรรยาสามีของคนอื่น<ม>ก็ไปประพฤติผิดประเวณี เราก็ได้ความสุขจากการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นแต่ตายไปนี้เราจะต้องไปใช้กรรมในอบายซึ่งไม่คุ้มเลยสู้อดทนหาคนที่ไม่มีเจ้าของดีกว่าไปสู่ขอเขาแล้วก็ได้ร่วมหลับนอนกับเขาตามถูกต้องตามหลักประเพณีก็ไม่เป็นการทำบาป ก็จะไม่มีโทษตามมามีแต่ผลดีคือความสุขที่ได้อยู่กับคนที่เรารักเราชอบนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะสวยงามหรือไม่สวยงามอยู่ที่การกระทาของพวกเราพวกเราจึงต้องเข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าเพื่อให้ท่านสั่งสอน ให้เรารู้ว่าวิธีการที่จะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนสวยงามเป็นคนน่ารักชื่นชมยินดีเป็นคนที่มีแต่ความสุขและความเจริญนั้นทำอย่างไรกันในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้เราจเจริญพรหมวิหารสีพรหมวิหารสีแปลว่าที่อยู่ของพรหม พรหมนี้เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ทำแต่คุณทำแต่ประโยชน์ไม่ทำโทษไม่ทำบาปไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมีแต่ความปรารถนาดีคือความเมตตามีความสงสารคือความกรุณามืมีมุทิตาคือความชื่นชมยินดีในความสุข ในความเจริญของผู้อื่นและมีอุเบกขาเป็นใจที่ตั้งมั่นปล่อยวางไม่หว่นไหวกับสิ่งเลวร้ายต่างๆที่จะมากระทบนี่คือคุณสมบัติหรือคุณธรรมสีประการที่พวกเราควรที่จะมาบำเพ็ญมาเจริญกันเพราะจะทำให้ เราเป็นคนสวยงามอย่างแท้จริงความสวยงามอย่างแท้จริงต้องสวยงามด้วยคุณธรรมไม่ได้สวยงามด้วยเสื้อผ้าอภารร์วิจิตพิสดารไม่ได้สวยงามด้วยเครื่องสำอางต่างๆอันนี้เป็นความสวยงามฉาบฉวยเป็นความสวยงามที่เปลือกไม่ใช่ที่เนื้อ เหมือนกับผลไม้บางชนิดเปลือกสวยแต่เนื้อไม่น่ารับประทานเช่นมะนาวอย่างนี้เป็นต้นใครอยากจะรับประทานมะนาวที่เปรี้ยวบ้างฉันใดความสวยงามที่แท้จริงต้องเป็นสวยงามที่ใจนี่คือความสวยงามที่แท้จริงพระจะชนะใจของผู้อื่นได้ ความสวยงามทางร่างกายนี้จะเพียงชนะได้เพียงชั่วคราวในขณะที่ยังไม่ได้รับรู้ว่าใจนั้นสวยเหมือนกับร่างกายสวยหรือไม่ถ้าร่างกายสวยแต่ใจไม่สวยต่อให้เป็นนางงามจักรวาลก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยแต่งานกันก็จะต้องแยกทางกันถ้า ใจไม่สวยไม่งามใจไร้ความเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาแต่ถ้าใจของผู้ใดมีมูฏิตมีเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาแล้วใจของผู้นั้นจะเป็นผู้ที่น่ารักจะมีแต่คนรักคนชอบคนอยากจะอยู่ใกล้ด้วยไม่อยากจะอยู่ห่างไกล เพราะเวลาได้อยู่กับคนที่สวยงามทางจิตใจนี้จะทำให้ผู้อื่นนี้มีความสดใจนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เป็นคนดีคนสวยงามเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีก็ขอให้เรามาเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาความเมตตานี้แปลว่า ความปานาดีความมีไมตรีจิตต่อสัต์รสัตทั้งหลายไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์เทวดาหรือเดรัจฉานไม่เลือกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่เลือกว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่เลือกว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูผู้ที่ความมีความเมตตาจะไม่มีศัตรู พ่อจะมองเหนือขึ้นไปมองตรงที่ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีอะไรที่จะทำให้เพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยากลำบากด้วยความเกิดแก่เจ็บตายนี้แล้วไม่มีอะไรที่เราควรจะไปซ้ำเติมบุคคลเหล่านั้น เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเพื่อนสัตว์เดรัจฉานด้วยกันให้ทุกยากมากไปกว่าทุกที่เขามีอยู่แล้วแต่ควรที่จะบรรเทาลดความทุกข์ความยากเหดือดร้อนให้มีน้อยลงไปความเมตตาก็คือความอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขความปรารถนาดีเหมือนที่เราส่งความสุขให ต่อกันและกันในช่วงปลายปีในช่วงขึ้นปีใหม่เราจะส่งสคศกันสคศก็แปลว่าส่งความสุขนี้เองการส่งความสุขก็คือความเมตตาแต่เราไม่ควรจะส่งแต่เฉพาะช่วงวันขึ้นปีใหม่เราควรจะถือทุกวันว่าเป็นวันปีใหม่เราควรจะให้ความสุขแก่ผู้อื่น เพราะการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้จะทำให้เราได้รับความสุขกลับมาการทำให้ผู้อื่นมีความสุขจะทำให้เรามีความสุขการทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์จะทำให้เรามีความทุกข์นี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้เหมือนกับการที่เรายือนอยู่ที่หน้ากระจกถ้าเรายิ้มใส่กระจก ภาพในกระจกก็จะยิ้มกับมหาเราถ้าเราแยกเขี้ยวใส่กระจกภาพในกระจกก็จะแยกเขี้ยวใส่เราอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราดีกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะดีกับเราถ้าเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะให้ความสุขกับเราการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้ก็ทำได้หลายรูปแบบเช่นดรวนี้ ข้าวของเงินทองที่เหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้อย่างในช่วงปีใหม่เรามักจะได้รับของขวัญกันมามากเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หมดเราก็เอาไปให้แก่ผู้อื่นให้ของขวัญแก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้มีความต้องการที่จะรับอะไรเป็นผลตอบแทน อย่าไปให้เพื่อที่อยากจะให้เขาให้อย่างใดอย่างหนึ่งกลับมาเพราะจะไม่ได้ทำให้เราเกิดมีความสุขใจแนะ่าอาจจะเกิดความเสียใจหรือทุกข์ใจก็ได้ถ้าเขาไม่ให้อะไรเราเป็นสิ่งตอบแทนกลับมาความเมตตานี้ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการรับสิ่งตอบแทนแต่ก็ไม่ปฏิเสธ ถ้าผู้ที่รับเขามีความเมตตาอยากจะตอบแทนอยากจะให้อะไรกลับมาก็ควรจะรับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเหมือนกับที่เขารับของของเราเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเวลาใครให้อะไรออกมาถึงแม้ว่าเราจะมีเหลือเฟือไม่เดือดร้อนก็ตามแต่ถ้าเขามีน้ำใจที่จะให้เราก็รับเอาไว้ และไม่ต้องไปมีความรู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของเขาแต่อย่างใดเพราะว่าเราไม่ได้ขอเขาเขาให้เองแต่ถ้าเราไปขอเขาแล้วเขาให้เราอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นหนี้บุญคุณกันเมื่อเราขอเขาแล้วเขาให้เราแล้วคราวหน้าเขาขอเราเราก็ต้องให้เขาถ้าเราไม่ให้เขาก็แสดงว่าเราไม่ทดแทนบุญคุณ ของเขาแต่ถ้าอยู่ดีๆเขาเอามาให้เราเองอย่างนี้เราไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณกันคราวหน้าเขาจะมาขอความช่วยเหลือถ้าเราไม่อยากจะช่วยเหลือหรือไม่สามารถช่วยเหลือได้เราก็จะไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจหรือเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณของเขาแต่ถ้า เราไปขอเขาเาห้วให้ความช่วยเหลือเราแล้วขาวต่อไปเขามาขอความช่วยเหลือแล้วเราไม่ให้ความช่วยเหลือทั้งๆ ท, ที่เราให้ความช่วยเหลือได้อย่างนี้ก็จะถือว่าไม่ได้เป็นการตอบแทนบุญคุณแต่เวลาถ้าเขาให้โดยที่เราไม่ได้ขอนี้เรารับไว้เพื่อไม่ให้เสียมารยาทไม่ให้เสียน้ำใจ อย่างที่ญาติโยง น, นำข้าวของเงินทองต่างๆมาถวายให้กับพระภิกษุสมมามเณรพระภิกษุสมมามเณรก็รับเอาไว้เพื่อสองศรัทธาฉลองศรัทธาเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจส่วนจะเอาไปใช้เอาไปเก็บหรือจะเอาไปทำประโยชน์อย่างไรนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้รับผู้ให้นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไป คอยเฝ้าดูว่าจะเอาไปทำอะไรถ้าผู้ให้ให้แล้วยังมีความผูกพันอยู่การให้นั้นก็ยังไม่ถือว่าสำเร็จประโยชน์เพราะยังมีความหวงยังอยากให้ผู้รับเอาไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเองปรารถนาถ้าอยากจะให้ผู้รับ เอาไปทำอะไรก็ต้องพูดก่อนต้องบอกก่อนว่าขอให้เอาสิ่งนี้ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผู้รับก็มีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธได้ถ้าไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของผู้ให้ได้แต่ถ้าให้โดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างไรผู้รับก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้อย่างไรก็ได้ ผู้ให้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกี่ยวข้องแล้วถ้าอยากจะให้เพื่อให้เกิดความสุขอยากจะให้เพื่อให้เกิดความเมตตาขึ้นมาต้องให้ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความผูกพันไม่มีเงื่อนไขการให้อย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขใจ อา น, นิสงส์ของความเมตตานี้ท่านก็แสดงไว้มีอยู่หลายประการด้วยกันเท่าที่จำได้ก็คือผู้ให้จะมีความสุขจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับผู้ให้จะมีจะเวลานอนหลับจะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จะเป็นผู้ที่ตายไปแล้วจะไปเกิดในสุคติแล้วก็เวลาอยู่ก็จะไม่ถูกทำร้ายทำลายชีวิตด้วยพิษอาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะว่าผู้มีความเมตตานี้ย่อมไม่มีศัตรูนั่นเองผู้ที่ถูกผู้อื่นฆ่าตายนี้ก็เป็นเพราะว่ามีศัตรู ไปทําให้เขาเดือดร้อนไปทําให้เขาทุกข์ยากลาบากทําให้เขาเกิดความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมานั่นเองแต่สําหรับผู้มีความเมตตาแล้วจะไม่มีศัตรูจะมีแต่มิตรอย่างเดียวจึงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองนี่คือเรื่องของความเมตตา ที่เราควรที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์เวลาที่เราเจอคนนั้นคนนี้ไม่ใช่แผ่ตอนที่เราอยู่ตามลำพังเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาให้แก่สรรพสร์ด้วยการสวดสัพเพสัตตาอเวราโหร อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการแผ่เพราะไม่มีผู้รับการแผ่ต้องมีผู้รับการให้ต้องมีผู้รับถึงจะสำเร็จประโยชน์ได้เช่นถ้าเรามาเจอคนและคนเข า, เาพูดอะไรไม่ดีกับเราแทนที่เราจะไปโกรธเขาเราให้อภัยเราไม่ถือสาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา ไม่จองเวรจองกรรมไม่อาคาตพยาบาทถึงแม้ว่าจะถูกทำร้ายทาลา ย, ลายแต่ใจจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่จองเวรจองกรรมเรียกว่าอาเวลาหนตุคือให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันผู้ที่ให้อภัยได้ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในความดีงามได้ผู้ที่โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท จะไม่สามารถตั้งอยู่ในความดีงามรักษาความสวยงามได้เพราะจะต้องไปพูดไม่ดีจะต้องไปทำไม่ดีพูดร้ายทําร้ายผู้อื่นความดีความสวยงามที่ได้จากการ ม, มีความเมตตาก็จะถูกทำลายไปดังนั้นเราต้องซ้อมไว้ก่อนการที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราสวดอย่างนี้เป็นการ ทำการบ้านเหมือนเอาเวลาโหนตุนี้เราต้องฝึกซ้อมว่าถ้ามีใครเข้ามาทําร้ายเราเราให้อภัยเขาได้หรือเปล่าถ้ามีใครเข้ามาดาเราเราให้อภัยเขาได้หรือเปล่าเราต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วต้องพยายามตอบให้ได้ว่าทําได้เพราะไม่เห็นมันยากเย็นอะไรเลยเขาจะทําอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เขาเ ด, ดีกับเราหรือเขาร้ายกับเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้อย่างตอนนี้เราก็ไม่มีความอาฆาตพยาบาทอยู่ที่ตัวเราเราหยุดได้การอาฆาตพยาบาทความโกรธความเกลียดถ้าเราฝึกซ้อมทําอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ซ้อมถึงเวลาเราจะทําไม่ได้ เราจรึงต้องจำลองเหตุการณ์คิดไว้ก่อนล่วงหน้ามีใครเข้ามาทำร้ายเราทำลายจิตใจของเรามาด่ามาว่าเรามาใส่ร้ายใส่ความเราจะทำใจได้หรือไม่ถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่ออานิสงค์ของการมีความเมตตาว่ามีคุณมีประโยชน์กับเรา และเห็บโทษของการไม่มีความเมตตาว่าเป็นโทษเป็นภัยกับเราเราก็จะต้องทำได้อันนี้การแผ่เมตตาต้องซ้อมไว้ก่อนเวลาเราอยู่ตามลำพังเราฝึกซ้ําจินตนาการนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะทำให้เราไม่มีความเมตตาแล้วเราก็ต้องพยายามลึงความเมตตากลับมาให้ได้ เพื่อเราจะได้มีความสุขเพื่อเราจะได้ไม่มีศัตรูเพื่อเราจะได้ไม่มีใครมาฆ่าเราอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดความจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทได้นี่คือเรื่องของอ น, นิสงส์ของความเมตตาส่วนข้อที่สองคือความกรุณาก็คือให้เรามีความสงสาร เวลาผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอดอยากขาดแคลนอย่าทําจะอย่าดูดายอย่าทําเป็นคนไร้น้ําใจเวลาเห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปตามกําลังการช่วยเหลือกันนี้จะทําให้โลกนี้น่าอยู่ เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากก็จะมีผู้อื่นมาดูแลเรามาช่วยเหลือเราแต่ถ้าต่างคนต่างไร้น้ำใจกันเวลาใครตกทุกข์ได้ยากก็จะไม่มีใครช่วยเหลือกันเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเราก็ไม่มีใครช่วยเหลือเราแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างมีความสงสารต่อกันและกันโลกก็จะอยู่อย่างน่าอยู่ เป็นโลกที่น่าอยู่เป็นโลกที่ทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำความดีให้ต่อกันละกันนี่คือความสงสารเห็นใครก็ตกทุกข์ายากได้ยาก็ถ้าช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปข้อที่สามคือมุดิตาก็คือเห็นใครเข้าได้ดีได้ดีก็ให้แสดงความชื่นชมยินดี อย่าไปอิจฉาหรยาเเพราะการอิจฉาหรยานี้จะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราชื่นชมยินดีกับความสุขกับความเจริญของผู้อื่นก็จะทำให้เรามีความสุขใจและเราก็จะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นนี่เรียกว่ามุนิตาจิตและข้อสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขา ผู้เบิกขาก็คือให้เราทําใจให้นิ่งเฉยปล่อยวางเวลาที่เราไม่สามารถที่จะแผ่เมตตาลืมกรุณาหรือมุติตาได้เช่นบางครั้งบางเวลาเราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแต่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เช่นคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ อาจจะต้องถึงแก่ความตายเราไม่มียาไม่มีปัญญาที่จะช่วยเขาได้เราก็อย่าไปเสียอกเสียใจอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปทำให้ตัวเราทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องทำใจปรงไปว่าเป็นเรื่องของกรรมไปเป็นกรรมของสัตว์ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราปรลงได้แล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์ใจไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายใจเราต้องปล่อยวางในเมื่อเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้หรือเราไม่สามารถทําอะไรได้ เราก็ต้องทำใจเพียงอย่างเดียวถ้ามีผู้อื่นเข้ามาสร้างความเสียหายมาทำร้ายเราคิดร้ายต่อเราถ้าเราไม่สามารถขอร้องให้เขาหยุดได้เราก็ต้องทำใจเป็นอุบเบกขาวางเฉยแล้วให้คิดว่าดีแล้วที่มันไม่รุนแรงกว่านี้เช่นให้คิดว่า ถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วที่เขาไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วอยู่ไปก็ทุกทรมานไปเปล่าๆเกิดมาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันแต่ตายด้วยการมีอุเบกขานี้ จะทำให้เราไปสู่สุขติแต่ถ้าอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดกันทำร้ายกันก็จะอยู่แบบยักษ์อยู่แบบมารตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะวางใจได้ทำใจได้ปล่อยวางได้ใครจะดีใครจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขา เมื่อเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งเขาหรือส่งเสริมเขายับยั้งไม่ให้เขาทำความชั่วส่งเสริมให้เขาทำความดีถ้าเราไม่สามารถทำอะไรได้เราก็อยากไปทุกข์กับเขาเช่นพ่อแม่บางทีก็ชอบทุกข์กับลูกลูกไม่ดีก็อยากจะให้ลูกดีก็พยายามสนับสนุนทุกวิถีทาง ทำอย่างไรลูกมันก็ไม่ยอมดีมันจะทาชั่วอย่างเดียวทุกไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ได้ไปทำให้เขาดีแต่อย่างใดแต่ จ, จะทำให้เราไม่สบายใจไปเปล่ า, าและอาจจะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีต่อไปก็ได้เพราะว่าคนเราจะคิดดีไม่ดีก็อยู่ที่ว่าใจมีความสุขหรือมีความทุกข์นั่นเองเวลามีความสุขเรามักจะคิดดีกัน แต่เวลาเรามีความทุกนี้เรามักจะคิดไม่ดีกันดังนั้นเราต้องพยายามรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขอย่าให้มีความทุกข์ด้วยการเจริญพรมวิหารสีนี่แหละคือเมตตาการุณาบุญิตาอุเบกขาเพราะถ้าเรามีพรมวิหารสีหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่แล้วเราจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดี เราจะไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายแล้วผลของการคิดดีพูดดีทำดีก็จะทำให้เรามีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ผู้ที่ชื่นชมยินดีรักเคารพนับถือเราแล้วเมื่อเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดในสุคตินี่คือเรื่องของการลิขิตชีวิตของพวกเราปั้นชีวิตของเรา ให้ดีให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการบำเพ็ญด้วยการเจริญพรมวิหารสี่นี้คือเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้